วันนี้เป็นวันพิเศษกว่าธรรมดาเพราะเรามีการเจริญพระพุทธมนต์ปริตะมงคลปริตะรตะปริตตะสวดเพื่อปกป้องคุ้มครองเอาคุณงามความดีมาปกป้องมาคุ้มครองปริตตะมงคล คุ้มครองให้จิตของเราเนี่ยเกิดความเจริญได้รับความเจริญได้รับความรุ่งเรืองเพราะในระหว่างที่เราเจริญเราสวด น, นั่นแหละเป็นเป็นการสวดบทธรรมะสวดมนตุกบททุกบาทเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีเป็นภาษามคต ถ้าเราปแปลเป็นภาษาไทยก็คนไทยก็เข้าใจรู้เรื่องแปลเป็นภาษาเยอรมันคนเยอรมันก็ฟังเข้าใจรู้เรื่องธรรมะเป็นของกลางๆสิ่งที่จะรับรู้เข้าใจธรรมะก็คือใจคำว่าธรรมชาติธรรมะธรรมะนี่เป็นธรรมชาติ ที่เป็นภาษาน้นเป็นภาษานี้เป็นภาษาสมมุติตามความนิยมตามความถนัดของแต่ละแต่ละชาติแต่ละภาษาแต่เนื้อเนื้อแท้ของธรรมะนั้นเป็นอันเดียวกันจใจรับรู้ได้สัมผัสได้เช่นอย่างความสงบเี้ยที่เราตั้งใจเภาวนาจิตของเราสงบ คนเยอรมันก็ทราบว่าสงบคนไทยถ้าคนไทยสงบคนใจก็ทราบว่าสงบอันนั้นคือตัวเนื้อให้ถึงเนื้อแท้ของธรรมะถ้าไม่สงบคนเยอรมันก็ทราบว่าไม่สงบใจไม่สงบคนเยอรมันก็ทราบว่าไม่สงบคนไทยก็ทราบว่าไม่สงบใจราคะใจโทสะใจโมหะนี่ นี่ก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่เป็นธรรมฝ่ายอากุศลคนเยอรมันก็ทราบว่าใจมีราคะใจมีโทสะใจมีโมหะแต่กิริยาของอาการของมันเป็นยังไงเราเข้าใจทราบด้วยตัวของตัวเราเองเราไปสัมผัสธรรมเหล่านั้นได้ด้วยใจธรรมะเป็นของกลางๆสามารถสัมผัสได้ด้วยใจใจคือผู้รู้รับรู้รั บ, รบทราบ เรื่องภาษาสมมุติเป็นเรื่องสมมุติขึ้นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของการสมมุติขึ้นแต่เรื่องของธรรมะนั้นเป็นเรื่องของสัจจะสัจจะคือความจริงมีอยู ves, ่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นเรื่องของสัจธรรมธรรมะบทที่เราสวดเนี่ยธรรมะบทที่เราสวดมีทั้งบทภาคปฏิบัติพื้นพื้นมีทั้งบทภาคสัจธรรม มีทั้งบทภาคปฏิบัติมีทั้งภาคสัจธรรมมีทั้งภาพต่อสู้กันกับกิเลสที่เราบทที่เราสวนเช่นอย่างสูตรนั้นสูตรนั้นอย่างงั้นสูตรนั้นอย่างงั้นสูตรนั้นยังงั้นเหมือนอย่างสูตรชยะชยะชยะเนี่ยคือเราชอบชัยชนะชยะชยยะนชัยชนะชนะอนุชนะอนนชนะสรพัฒคนเราชอบชนะ แต่ความชนะที่แท้จริงก็คือเราต้องต่อสู้และมีกำลังมากกว่าได้ใช้ชนะนั่นคือใช้ยัก ย, ยะแท้แทนเราหวังจะชนะความโลภความโกรธชนะความหลงชนะกิเลสตัณหาชนะโรคภัยไข้เจ็บชนะอุปสรรคความขัดข้องทั้งหลายทั้งปวงนีเ่เราชอบเราชอบ อย่างเงี้ยเรื่องเรื่องชัยชนะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อสู้ถึงจะได้รับชัยชนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านต่อสู้ชนะพญานั่นแหละแต่การต่อสู้ของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้เอาอะไรมาต่อต่อสู้อาศัยว่าบุญญาประมีที่สร้างสมอบรมไว้นั่นแหละมาเป็นกรอบกำบงังไม่ให้มารเหล่านั้นเล่นงานพระองค์ได้ ในสุพยามารก็ทําอะไรโปร่งไม่ได้ในวันที่โปรง่งจะตรัสรู้ธรรมะนั่นน่ะนี่ก็คือชัยชนะอันนี้เราไม่ได้สวดบทพาหุงถ้าเราสวดบทพาหงษ์ก็พระพุทธเจ้าชนะอะไรหนอเจ็ดอย่างแปดอย่างชนะช้างชนะนางจินจมานวิกาชนะสัจจกนริครนชนะอะไรต่ออะไรหลายอย่างในบทพาหงษน่ะที่เราสวด นี่คือคือชัยชนะล้วนแต่เป็นวิธีการที่เพื่อที่จะเอาชนะความชั่วร้ายในใจของเราเองแต่การที่จะชนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเราจะต้องมีพลังมากกว่าเหมือนเราต้องการให้ใจสงบนั่นแหละถ้าสติของเราไม่ไม่มากทําให้ฉันยะของเราไม่มากความตื่นตัวของเราไม่มากความเพียรเพื่อขประคองของเราไม่มาก เราก็ชนะอารมณ์ฝ่ายกิเลสไม่ได้มันดึงจิตของเราไปปรุงไปนึกไปคิดไปอะไรต่ออะไรจิตเพราะเราจะสงบก็สงบไม่ได้เกี่ยวข้องกันหมดแหละโอเคนีกนคก้ก่อนบุตรใหม่เยอะแยะนคนแปลการสวดนั้นเป็นความทรงจำเป็นการจำเข้ากัน ท่องบน่นสวดมนต์ภาวนามันเป็นเครื่องอบรมจิตจะล่อมลงมาที่นั่งภาวนาตะล่อมลงมาที่ภาวนาเหมือนอย่างที่เราภาวนาเมื่อกี้นีสสบห้านาทีเนี่ยสี่สห้านาทีถ้าหากเรามีสติกล้ากว่ามีสัมมิชนยญญะดีกว่าเนื้อกว่ากิเลส เราก็สามารถเอาชาเกลเลดได้กลเลดไม่สามารถจะดึงเอาจิตของเราไปนึกไปคิดไปปรุงน้นปรุงนี้ได้เราให้เขาอยู่กับคาว่าพุทโธพุทโธพุทโธเ็าจะอยู่อย่างนั้นหรือมากับ ก, บกำบกับด้วยลมหายใจเข้าออกอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือจะดูลมอย่างเดียวลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกรู้ไม่ลมเข้าลมออกกำกับด้วยพุทโธ ลมเข้าพุทธลมออกโทพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธจิตจะเริ่มสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยถ้าสติความตื่นเนื้อตื่นตัวของเราไม่ดีจิตของเราก็ถูกกิเลสดึงไปดึงไปนึกไ ป, กไปคิดไปปรุงเรื่องปัญหาสารพัดที่มันจะพาจิตของเราไปนึกไปคิดไปปรุงอันนั้นเป็นพลังของกิเลสมันดึงไปเราไม่ได้ใช้ชนะจากกิเลสแล้ว แต่ถ้าเราคำลังมากกว่าเราได้ใช้ชนะจิตของเราจะสงบพอเริ่มสงบเริ่มสงบก็จะเริ่มอิ่มเบอร์ยอิ่มเบอรอิ่มเบร์ยถึงแม้ว่าจะไม่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจิตก็ไม่ไปไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงเพราะมีความสงบมีความเอิบอิ่มมีความสุขนี่มันนี่คืออนุภาพของความสงบ เหมือนเราเราเริ่มรับทานอาหารพอรับทานไปเริ่มรับทานไปจะเริ่มอิ่มรับไปเรื่อยรับไปเรื่อยเริ่มอิ่มไปเรื่อยเริ่มอิ่มเรื่อยพออิ่มเต็มที่เราก็ไม <combined> ่ต <ling> ้องรับทานอาหารไม่ต้องหยิบเข้าปากไม่ต้องหยิบเข้าปากพราะมันอิ่มเต็มที่แล้วที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธคือจิตของเรามันยังไม่อิ่มอารมณ์ที่เป็นธรรมะจิตของอยากของเรามันยังไม่อิ่ม เราพุโทโธเข้าไปเรื่อยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธถึงเต็มที่แต่แ ต, แต่แต่ละครั้งแต่ละขณะจะต้องมีสติสามัญญนย์กกับดูแลอันนี้เป็นผู้กํากับงานกํากับดูแลงานถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้มีกําลังไม่พอก็คุมงานไม่ได้คุมงานไม่อยู่จิตก็จะไม่สงบเมื่อเมื่อคุมงานอยู่จิตเริ่มอยู่เริ่มสงบไม่จําเป็นจะต้องอพุโทโธเลย จนจิตทิ้งคำบริกรรมเข้ามาพูดโธพุดโธจิตก็ไม่ไปไหนอยู่กับเนื้อกับตัวของเราตลอดจิตสงบสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยสงบจนทิ้งปีติเหลือแต่ความสุขเอกคตาจนเหลือแต่เอกคตากับโอเบกขาจิตไม่มีกิริยาการโร่สว่างสวยอยูนะ่ถึงความสงบจิตถึงความสงบนยะ เราเราทำเราสามารถทําได้เราพิสูจน์ได้ต้องอาศัยความอุตสาหพยายามอย่างอย่างยิ่งเหมือนกัน mm hmm. กว่าเราจะต่อสู้กับพลังของกเกลียดในหัวใจของเราได้ใครสามารถทําได้คนนั้นมีพื้นเพมีจริตนิสัยมีคุณสมบัติของจิตที่ดีเยี่ยมเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมถ้ากจิตของเราเริ่มสงบ เราสามารถพิจารณาให้มีความก้าวหน้าได้แต่ถ้าจิตของเราไม่สงบมันจะไ ม, นไม่ก้าวหน้าหละก้าวหน้าคือพัฒนาไม่ขึ้นพัฒนาไม่ไปหน้ามาหลังเพราะจิตยังวุ่นอยู่แต่ก็เรื่องกามจิตไม่ทิ้งกามกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามเราพัฒนาอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำจใจให้ได้รับความสงบ โยมก็ทําให้สงบได้พระก็ทําให้สงบได้ถือศีลแปดศีลห้าศีล8ศีล10ศีล227สามารถตั้งใจทําให้สงบระ ง, งับได้เมื่อจิตสงบระ ง, งับสามารถพิจารณาให้เกิดความก้าวหน้าได้กายออกจากกามจิตออกจากกามเหมือนกับเราเอาไม้ไม้แห้งไปเสียเกิดไฟ ไฟพร้อมที่จะเกิดได้เพราะไม้มันแห้งมันไม่ใช่ไม้เปียกไม้สดทกาะ ย, ยังไม่ยังไม่ออกจากกามจิดยังไม่ออกจากกามแสดงว่าเหมือนกับเราเอาไม้สดชุ่มด้วยยางมาเสียเกิดไฟเกิดไฟได้ยากนี่เป็นอุ ป, ปมาเอาพูดไปแล้วมันหยุดยาก น, นะพูดไปแล้วหยุดยาก ไปกลอนแปลเย ไ, ป ไ, ป ไ, ปไปม่ไเมื่อเราทำจิตให้ได้รับความสงบสงบมากสงบน้อยเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานของจิตจิตสงบคือจิตออกจากกามจิตไม่สงบคือจิตวุ่นวายอยู่กับกามคาว่ากามก็คือรูปสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นแหละเ้าเรียกว่ากามกามคุณกามคุณ จิตของเรามันไม่สงบเพราะมันวิ่งไปยุ่งกับกามคุณเขาเรียกว่าจิตยังไม่ออกจากกามพอจิตเราเริ่มสงบจิตจะเริ่มออกจากกามจิตจะไม่ติดกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเราใหเา้เขาอยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธเขาก็อยู่อย่างนั้นสงบมีปีติมีความสุขจนถึงขั้นเหลือแต่อุเบกขา เบิกขากับเอกคตาคิตวางเฉยโโรอยู่กับอารมณ์สว่างสวายอยู่ข้างในจิตคือจิตมีความสงบแนบแน่นมนั่นคงจิตถึงขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่าจิตออกจากกามจิตไม่จิตกับกามจิตออกจากกามถ้าจิตยังไม่ออกจากกามเราจะพัฒนาจิตให้เป็นไปในธรรมะที่สูงมากไปกว่านั้นนี่พัฒนาไปได้ยาก ท่านเทียบเหมือนกับว่าไม้สดไม้ชุ่มด้วยยางเราเอามาเสียดสีกันให้เกิดไฟามาถูให้เกิดไฟไม้มันสดไม้มันชุ่มด้วยยางความสดของมันนี่มันเป็นปฏิปักษ์กับไฟมันเกิดไฟได้ยากเราจะทําความเพียรยังไงก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่า mm. เหนื่อยเปล่า mm. เหนื่อยเปล่า mm. เน็ตเหนื่อยเปล่า กายยังไม่ออกจากกามหมายความว่าเราอยู่บ้านอยู่เรือนมีลูกมีผัวมีเมียคลุกคลีกันอยู่ในครอบครัวท่านเรียกว่ากายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามก็คือจิตคิดเรื่องเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องทํามหากจนเรื่องสารพัดท่านเรียกว่าจิตยังไม่ออกจากกาม เรายังไม่ออกจากกามแต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้เหมือนอย่างที่พวกเรามานั่งภาวนาให้ใจสงบเราอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่มีลูกมีผัวมีเมียนี่แหละแต่เราอาศัยการเวลาบางคราวเรามาภาวนาให้จิตได้รับความสงบสงบได้ไหมสงบได้ในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างมากมายสมัยปัจจุบันนี้ก็มีตัวอย่างมากมาย ที่ครวาดปฏิบัติธรรมแล้วได้รับความสงบได้รับได้รับได้มรักได้ผลมีมากมายเยอะแยะเอาแค่นี้ก่อนจิตจะสงบเราต้องทำงานอย่างต่อเนื่องอตั้งสติจดจ่อต่อเนื่องอยาวไปเรื่อยห้านาทีสิบนาที ตั้งความพยายามต่อเนื่องไปเรื่อยไปเรื่อยไรื่พอถึงที่เขาก็จะเริ่มทิ้งอารมณ์เขาก็จะเริ่มสงบพอสงบก็ออกจากกามเราเป็นคารวาสนี่ยแหละเราเอาจิตออกจากกามได้จิตออกจากกามต่อเมื่อจิตเราสงบเมื่อจิตเราสงบจิตของเราก็จะออกจากกามถึงขั้นนั้นแล้วเราสามารถพัฒนาไปได้เราเป็นคารวา ين, เราสามารถทําจิตให้ออกจากกามได้ ออกจากบ้านมาเป็นพระเป็นเนนอยู่อยู่วัดแล้วก็ตามถ้าไม่พยายา ม, ามทำาจะให้ได้รับความสงบก็หมายความว่าจิตยังไม่ออกจากกามจะพัฒนาให้ถึงธรรมเบื้องสูงมัก็เป็นไปได้ยากเหมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยางเอามาสีกันให้เกิดไฟมันเกิดได้ยากพระเจ้ทาท่านจึงใช้คำว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่า ได้รับผลเป็นวิบากกรรมสะสมกรรมอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะเห็นสัจธรรมต่อหน้าเฉพาะหน้าเห็นไม่ได้เห็นยากเนะพราะจิตออกจากกรรมแล้วเนี่ยจะต้องมาทําอย่างถูกต้องตามวิธีอีกเหมือนกับไม้สดเหมือนกับไม้แห้งเอาไม้แห้งๆมาสีกันให้เกิดไฟต้องสีให้ถูกวิธี เรารู้วิธีการปฏิบัติศินสมาธิปัญญามาพิจารณาเพื่อให้เห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณารูปธรรมพิจารณานามธรรมพิจารณาถูกต้องตามหลักตามวิธีการตามอริยมรรคมีองคปดพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วก็หยุดพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วก็หยุดเหมือนเอาไม้แห้งสีกันสี ส, ส, สีสีแล้วก็หยุดการเสียดสีทําให้เกิดไฟพอเราหยุดไฟมันก็หมดไปแล้ว คิดได้อีกสีขึ้นมาอีกโอกาสที่จะได้ไฟใช้มันไม่ได้นี่วิธีที่สามวิธีที่สีหมายความว่าจิตสงบแล้วพิจรารณาอันิจจัจงทุกขังอนัตตาพิจรารณารูปธรรมพิจรารณานามธรรมพิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหนักหน้าเข้าไปเรื่อยต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยสม่าเสมอเข้าไปเรื่อยอ เราจะเที่ยวก็เมื่อเราสีให้เกิดไฟเนี่ยพอรู้สึกว่าความร้อนมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน่ยถ้าให้เกิดเข่าดำด ำ, ดำเกิดควันข า, ขาวขาวเกิดฐานแดงแดงตอนนี้นะหยุดไม่อะไรนะตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วนะเอาจนฟุบได้ไฟใช่แต่ถ้าเกิดฐานแดงแดงแล้วเนะี่ยหยุดอีกไอ้ความร้อนนั่นก็จมหมดไปอีกแล้วมัคิดได้อีกสีอีกมันก็อยู่แค่นี้แหละ ประชาชนครูบาอาจารย์ท่านเอาเป็นเอาตายสู้ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่จะได้จะได้ไฟไฟกําลังจะเกิดนี่หยุดไม่ได้หยุดไม่ไ ด, ด, ไได้เคยหยุดแล้วเสียเวลาไปแล้วเคยหยุดแล้วเสียเวลาไปแล้วเอาเป็นเอาตายสู้อยู่ตรงนี้แหละที่ท่านว่าเอาเป็นเอาตายสู้เนี่ยจนกว่าจะมีญานศะศาสนาเกิดขึ้นในหัวใจของเรา เ, เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอ รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นหลักเป็นสัจธรรมยังไงยังไงเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนที่จะเรียกว่าญาณทัศนะเกิดทั้งรู้ทั้งเห็นทัศนะแปล ว, ว่าความเห็นญาณคือความรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำเพาะหน้าได้ได้ได้ใยใช้ได้ใยใช้นี่ย น, นี้เป็นอุปมาที่ท่านเอามาเทียบทำให้เรามาเทียบเคียงได้ว่า เราเป็นประเภทไม้สดชุ่มด้วยยางหรือเราเป็นประเภทไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยแล้วก็แช่อยู่ในน้ำอีกหรือเราเป็นประเภทไม้แห้งสีไปแล้วก็สี ส, สีแล้วก็หยุดสีๆแล้วก็หยุดแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นประเภทไม้แห้งสีแล้วก็หนักหน้าเข้าไปเรื่อยจนได้ไฟใช้อันนั้นเขาจะรู้ตวงเขาเองเคยพลาดแล้ว1ครั้ ง, งสองครัง้ง3าครั้ง เข็ดลาบนี่เละเอาเป็นเอาตายสู้มันเป็นเกณฑ์วัดว่าเราสามารถทดสอบตัวเราได้ว่าเราสามารถทำได้ขนาดไหนรามาจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราได้ขั้นไหนขนาดไหนระดับไหนอันนี้เป็นอุ ป, ปมา ท, ที่พระเจ้าท่านอามาศอหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราไม่เสียเปรียบเพราะเราเป็นคาวาส พระตัาหากถ้ามาอยู่อย่างนี้แล้วไม่พยายามเอาใจออกจากกรรมเสียเปรียบชาบ้านพยายามทําใจออกจากกรรมได้กายยังไม่ออกจากการมแต่สามารถเอาใจออกจากการมทําใจให้สงบได้สามารถทํามักทําผลให้เกิดขึ้นได้เหมือนอย่างวิสาขะเศรษฐีนั่นแหะไปฟังธรรมของพุระเจ้าไปฟังแล้วก็ทำไปบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งจนมาถึงระยะหนึ่ง ไปวัดฟังธรรมแล้วได้บรรลุเป็นพระอนาคามีพอกลับบ้านมากลับบ้านมาก็บอกภรรยาอเอออันนั้นเราก็ให้เธออันนั้นเราก็ให้เธออันนั้นเราให้เธอเราเคยเกี่ยวข้องกันเราเคยทำอย่างนั้นการเคยเกี่ยวข้องกันเคยคลุกคลีกันเคยนอนด้วยกันเคยอะไรด้วยกันบอกว่าต่อไปนี้เลิกไม่เกี่ยวข้องกันและจะไม่ยุ่งกันแล้ว พระถึงขั้นอนาคามีแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกั น, กนจะไม่มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องรูปผู้หญิงรูปผู้ชายแล้วแหละคือจิตมันพ้นไปหมดแล้วแหละเี่ยท่านเป็นฆราวาสอยู่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนะพอเมียได้ยินอย่างนั้นแหละเมียปรรยาก็คือนางธรรมทินานาเมียเลยขอไปบวชเมียเลยไปบวชไปบวชเสร็จแล้วไปตั้งใจปฏิบัติได้เป็นพระอราหันต์ก่อนผัวเลยท่านนี่นี่เห็นไหม มีความสามารถแต่ผู้ชายที่ไหนผู้หญิงก็สามารถเมียได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ก่อนทีนี้เมียพอเมียกลับมาแลวมาถามปัญหากันเนี่ยมาถามปัญหากันฟังสนุกมากเลยเราเราเคยล้ว เ, เคยฟังธรรมทินากับวิสาขาเสียถีเนี่ยมาสนทนารมกันนอันนี้เป็นข้อเป็นข้อเปรียบเทียบว่าการตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวไม่สำคัญว่าเป็นพระเป็นครวา่าษ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสามารถรับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันหมดแต่ศีลเราต้องถึงพร้อมศีลศีลห น, นุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาจึงจะสามารถเป็นไปได้เอาอีเดี๋ยวอีกตอนหนึ่งก็น่าจะพอแล้วแหละวันนี้หน้าที่ของเราก็คือ ต้องทำทำให้มากเจริญให้มากภาวิตาภาวรีกตาทำให้มากเจริญให้มากแต่ว่าคาว่าทาให้มากเจริญให้มากเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วจะได้เท่ากันจะได้เหมือนกันบางคนสังสมมามากบางคนสังสมมาน้อยบางคนสังสมมามากแต่ถ้ายังทำไม่มากเจริญไม่มากในปัจจุบันนี้มันก็มันก็ยัง มันก็เป็นการถ่วงเหมือนกันบางคนทํามาน้อยแต่มาทราบอยู่อย่างนี้แล้วก็กระตือรือร้อนทําให้มากเจริญให้มากเหมือนเราเหมือนอย่างเรารู้จากเส้นทางดีเสร็จแล้วเราวิ่งเอาเลยแทนที่เราจะค่อยๆเดินเราวิ่งเอาเลยเนี่ยทําให้มากเจริญให้มากเลเหมือนอย่างถูไม่ยอมหยุดถูไฟติดความรู้ความเข้าใจในใจของเราเนี่ย ตะปาทำตะธรมะธรมข้างในใจของเราเก็ต้องอาศัยการทําต่อเนื่องไม่ยอมหยุดท่านใช้คําว่าภาวิตาภาิริกตาทําให้มากเจริญให้มากทําให้มากเจริญให้มากเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่เสามีคนถามว่าสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วได้อะไรพุทโธแล้วเห็นอะไรไม่ต้องถามไปทําทําให้มากเจริญให้มาก เป็นประมาณที่ว่าทําให้มากจเจริญให้มากเสร็จแล้วจะได้ผลจะได้ผลจะได้ผลตามตามความสามารถตามความตั้งอกตั้งใจทํานั่นเองนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยเรารู้จะครอบประพฤติข้อปฏิบัติแล้วก็ทําให้มากจเจริญให้มากท่านจึงให้ทําศีลให้ยิ่งเป็นอธิศีลสมาธิก็ทําให้ยิ่งให้เป็นอาธิจิตปัญญาก็จเจริญให้ยิ่ง จนเป็นอธิปัญญาจนกว่าจะเกิดปัญญาญานจนกว่าจะเกิดวิปัสนาญาณเราเริ่มหัดทําไปเรื่อยเป็นปัญญาทั้งนียกว่าใช้ปัญญาใช้ปัญญาหรือเจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนาจนเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจเป็นปัญญาญานเป็นวิปัสนาญาณทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจธรรมะเหล่านั้น พึงเกิดขึ้นในหัวใจปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจเห็นอะไรเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะไปหมดสัจธรรมที่เรายืนเดินนั่งนอนนั่งทับนอนทับยืนทับนี่แหละเราจะเห็นเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะต้องอาศัยอยู่บนพื้นฐานทําให้มากเจริญให้มากอ้าวไปทําให้มากแลยเทนี้นะไปทําให้มากหรือไปนอนให้มาก ื <ś les> <ś les> ừ, ทำให้มากแล้วจะผลมันเกิดขึ้นยังไงเราก็จะทราบเราเองปัจจัดตังปัจจัดตังค์ทำจนความโลภความกโกรธราคะตัณหามันจางไปจางไปจางไปบางไปบางไปเบาไปเบาไปเบาไปเหือดไ ป, <ś les> ไปแห้งไป สำรอกจนเหือดไปแห้งไปเหือดไปแห้งไปจากไม้สดๆนั่นแหละสำรอกจนเหือดจนแห้งแห้งๆถูจนกว่าจะลุกไฟลุกวันนี้เอาแค่นี้พรุ่งนี้จะมีเดินทางแต่เช้าเท่าไหร่ไม่รู้าไปํา ม, มีปัญหาอะไรกับเดี๋ยวถามอาจารย์เนี่ยเ <laughs> ดี๋จะรดจนหลวงพ่อจะกลับมา เอาจะกลับมาอีกแล้วก็ค่อยคุยคุยกันอีก <c oughs> เราทําแบบที่เราทํามาแล้วแหละแบบที่อาจารย์พาทำมาทําเรื่อยๆทําต่อเนื่องอมันจะต้องอาศัยการสั่งสมมา ก, กันอบรมเหมือนอย่างเราสะสมทรัพย์นั่นแหละมีสิบ ม, ม, ม, ม, มีร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนมีล้านเพิ่มเข้าไปเรื่อยเพิ่มเข้าไปเรื่อยขึ้นอยู่กับการสาะแสวงหาแล้วก็เก็บสะสม เพียนทําให้มากเจริญให้มากในระหว่างที่เรากําหนดจดจ่ออยู่ภาวนาประทานอนุรักษณาประทานมันรักษาของเก่าด้วยของใหม่เราก็ทําเพิ่มด้วยเป็นภาวนาประทานเป็นอนุรักษณาประทานในระหว่างที่เราทํานั่นแหละสังวรประทานก็เป็นไปในตัว ประหารประทานก็เป็นไปนในตัวคือเพียรสังวรระวังแล้วก็เพียรละแล้วก็เพียรภาวนาภาวนายอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธคุณสมบัติมันเกิดขึ้นได้พร้อมกันสมอย่างสีอย่างละชั่วแล้วก็ทำดีอพอสมควรแก่เวลายุติแค่นี้เนาะ